คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพระยศคุณระบุตรหรือพระสาริบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตันยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อายุคุณบุบอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พ อ, อดีไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายพอเข้าไปก็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 จิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นไันที่คอยรับยาอยู่แล้วอย่างท่านอุกติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิตันอยู่แล้วก็มานยยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอจุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาพยายาม เกี่ยวกับกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งหลายหนทำซ้ำๆซา ก, กๆทำมากก็ค่อยอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมื่อเราทําไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆพอไปหล่อเลี้ยงภานจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปธรรมะมีมากเป็นไรอํานาจก็มากกิเลสก็มีอานาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอานาจเต็มที่ อยากแส ด, แสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอานาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มาก เ, เมื่อธรรมะได้แทรกซึมก็เข้าถึงใจมากน้อยกิเลสก็ค่อยอ่อนกําลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับลาดับการปฏิบัติธรรมจิงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะพยายามให้ทําเข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่หรือร่ำเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทําของมันเท่านั้นเพราะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจึงต้องมีถ้าเราไม่ประมัดระวังจึงต้องผิด ผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลำบากการสั่งสมธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสยิงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายใจิ จ, จิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปพว่ความราบรื่นดีงามสม่อมเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบททัติทางด้านธรรมะ เมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไรใจก็จะค่อยเกิดความยิงยม่งแย่แจ่มใสมีความสงบเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับกีรทําจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความไปเดินโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจ ย, ยากลําบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งแลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน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 ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นกรุ่นง่ายมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้น ใจ ด, ดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่ําเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อความจิตใจให้รับความทุกข์ความลําบากอยู่เรื่องของกิเลสก็มีน้อยอยู่เป็นลนำดับในอาทิต ท, ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบสัมพระท่านอยู่พระครั้งพุระการมีจํานวนมากมายขึ้นมุ่งต่อแดนป้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั่นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลาดับข่าวของท่านมีแต่ข่าวดีๆแต่เรามองดูแต่ผลผเหมือนกับท่านล้างมือเปิบแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสลัดเป็นสลัตายมาแทบทุกองทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อในมุ่งหน้ามาประพูดปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความสงสัยตอบเขาว่าคำอสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลี่ยนถ้าต้งหมดสลิตนิสัยใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลากปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามดำเนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอดิอ่มก็ยอมอิม่มขอให้ใบำเพ็ญ ทำเ พ, พื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิปทานที่ราบลื่นโดยสม่ำเสมอและเป็นปฏิปทานที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้ว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 ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี้ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชํารมะหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใ จ, จภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี้ไม่วุ่นวายพยศแต่ผู้ึงเชื่อพยศก็เอายศเข้ามานี้ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขาหรือไม่ทราบก็ตา ม, ขอขอามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว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 ระงับลงไปโดยล้วดำดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งพิเดศไม่มีเหลือพันในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้า ก, ก็เป็นพระทายที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทายที่ยุ่งเหิงวุ่นวายนั้นจึงเรียกพ ย, ยเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้วความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่ จ, จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รับ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 มีใจดวงเดียเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายจากนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิงนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงใ น, นสิทธจิตใ จ, จของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแจร้กิเลสหรือการแจร้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแจ้ลงที่ใจนี้เองโดยความปฏิบัติเห็นตัณฑสอนให้กําหนดพุทโธธรโมสังโฆเป็นเครื่องบริการเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพื่อระงรับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรมีปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญมันหมายกับสิ่งนั้นสิ่งอนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน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 เรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องน้ำบากทั้งหมดคือจิตอ้าวอารมณ์ที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคําว่าคือจิตนี่ก็คือคือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสํำอลอกปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆ ท, ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉย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 พยายามคิดอ่านไต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักค้น้วก่อนเพอยังไม่เห็นผลจนกว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบึกบืนหรือความเชื่อความนิมนตใจความดุดดื่มภายในจิตใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไป mm hmm. แก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปคาดไปหมายที่นู่นที่นี่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 ถ้ามา่ระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่นต้องแก้มันที่ตรงนี้มันร้อนที่ตรงไหนกนําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกนําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจอด จ, จ, จอเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงความวุ่นวายนีน่มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นละ่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วนี่ความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพ้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้น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 ความอย่างนี้เป็นความขอบเป็นสิ่งก่อควรจะเพิ่มทุกขึ้นมาเมื่อมันเมื่อมันไม่ดับอย่างใจหมายพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่งที่ปรากฏอยู่คือความทุกข์เวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้ ง, ท, งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรา น, performing. นี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่ทระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญและ ไปปาฏนนิาริย์ไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์เอา้าต้องการแต่ความจริงให้ดู้ความจริงดูความจริงถ้า ม, มันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู้มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงข่าวเด็ดกิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอา้าวพิจารณาลงในสนามรบนี้ระหว่างขันกับกิดนี่เป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันห ขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างลขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือนถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องกระเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างสังใจเพราะอะไรจึงต้องอย่างสังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังนี่การพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนอย่างส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสัมผัสนา น, น มันเบาบางไปจนกระทั่งความสำคัญนั่นหมดไปคํว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเหี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดอย่นี้เองตัดความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี้เป็นของเราทุกก็เป็นเราร้อนจะตาก็ยังาเป็นเราอีก่าเป็นของเราอีกเอามาทําใหม่มันเหมือนกับไฟเมื่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทํำไม่ความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กหนดดูที่กรงที่ว่ามันทุกด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความผิดต้อง ตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกมันเกิดขึ้นขณะนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ยจิดทําไมไม่เห็นมันดับด้วยมันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างเนี่นามันคาดชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายโดยการค่ห้ตายคิดยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนขอให้มันรู้ตามความจริงอันนี้นี่วิธีเผาขราญกิเตในหลักปัจจุบันนัตธรรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ะ ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดีการแก้ไขาด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจาพ่านดำเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขาจุดที่ควรจดจอ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายาม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 เมื่อนำมาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลําดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลำดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลส ย, ย่ำกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่าทำลายจนไม่มปรากฏสติปัญญาเลยที่จะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อยให้มันทุกข์มันเหยียบย่ําทําลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บ่นมันไปทํำไม่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 เมื่อทราบนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนมุราบันหมดเพราะกิเลสตัวก่อกวนให้เดือดร้อนว่ามันหมดไปด้วยหน้าของปัญญานั่นหมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกรทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไง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 คือทำหน้าที่ตามตรลักเคือให้จังทุกครังสาวเขาไปทเข้าไปผู้ที่รูปกดฎใจลกักก็ให้รู้ไปวิจารณาไปเห็นตามไปยิงไปเนี่ยไปชื่อว่าผู้ฉลาดนี่แหละถนัดกุศลธรรมมาให้ฉลาดที่กรุงนี้สวดให้ดีนะกุศลธรรมมาจะไปคอยตแต่งเอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเคาะลงโ ป, โป be c be c be c. ๊ะเป๊ะเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยู่ไม่อยากฉลาดเวลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลธรรมกับเท่าเดิมมันแหละ <laughs> ว่าเลยส่วนถ้ามันถูกจุดสิส่วนกุศลธรรมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะความโมง่ก็อยู่ในตัวเองความฉลาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาน่้อะกุศลธรรมามันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอพยากตาทำมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมามก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก้จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็เหม่สนใจจะพูดเสียเวลา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 ถ้าสติปัญญาได้ยางเราไปกงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มภูิไม่สงสัยนี่แหละท่านบเรียนทาจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิอยู่แสนสมายเนี่ยท่านบอกโลกุตรธรรมมันเหนือโลกทั้งทั้งตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขี่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อน รู้ตามมัจริงมันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทำลายจิตใจไม่มากดขี่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกอืโลกคือขันเนี่ยมันเหนือที่ตรงนี้เองโล ก, กุสณาธรรมแปลว่าทําเหนือโลกนะฮนิพพานังปรมังสุ ข, ขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคําว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังแล้วอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าเหมนว่ า, วาก็อันเดียวกันเนนีี่่ยอพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะ เดี๋ยวไปคอยจะเอาพ้ามาสวดกุศลทำไมา่ยุ่งถ้าเป็นผ้าท่านไม่อยากยุ่งหรอกท่านลำคาท่านไม่อยากไปนอกจากพระหากินนั้นท่านจะจับไปเพราะวันนี้คนตายนะกุศลอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ่ายถ้าผ้ท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียจยุ่งเวลาสอนให้กุศลทำมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลทำใหม่นั่นท่านจะว่างนั่นนะอาละเอว่างถึงนี้แล้วหยุด